หลวงพ่อเรียกมาคุยเพราะว่าทุกคนเลยทั้งพระทั้งโยมไอ้ภิกษุณีมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยคือจิตมันหลงอยู่ในความปรุงแต่งมีปัญหาเดียวกันหมดจิตมันหลงไปในความปรุงแต่งนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความเฉยเฉยบ้าง ถ้าเราอยากภาวนาให้ดีนะก็ค่อยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตมันปรุงดีก็ให้รู้มันปลุงชั่วก็ให้รู้มันพยายามจะไม่ปลุงก็รู้ความปรุงแต่งมีสามาัญอนหนึ่งปรุงดีอยากเป็นคนดีอยากบรรลุมรรคผลก็พยายามจะทำํำอย่างโน้นทําอย่างนี้บังคับกายบังคับใจอย่างนี้ จะสุดโตไปข้างอาตะกิลมัทฐานิโยะพวกปลุงดีอีกส่วนหนึ่งก็พวกปลุงชั่วที่ปลุงไปด้วยความโลภโกรธหลงใจฟุ้งซ่านไปลืมตัวเองอนนี้ย่อหย่อนไปในการปฏิบัติเรียกว่ากามสุขา ร, ริกานิโยคเนี่ยส่วนใหญ่ๆก็ปลุงกันสองอย่างเวลาอยากปฏิบัติก็ปลุงดีพยายามควบคุมจิตใจตัวเอง พอไม่ปฏิบัติก็ฟุ้งซ่านนั่งเฉยๆก็หนีไปคิดโน้นคิดนี้ลืมตัวเองอีกพวกหนึ่งอยากจะไม่ปรุงพยายามทำใจให้ว่างๆไม่อยากปรุงไม่อยากปรุงก็คือปรุงนะความปรุงแต่งมีสามอย่างเท่านี้แหละถ้าเรารู้ทันใจมันปรุงดีก็รู้ใจมันปรุงชั่วก็รู้ มันปรุงแต่งความพยายามที่จะไม่ปรุงก็รู้รู้ทันไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันความปรุงแต่งความปรุงแต่กระดับรากเล่าอกของความปรุงแต่งแล้วคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่โดเฉพาะอย่างยิ่งการไม่รู้ตุกเรายังไม่เห็นความจริงของกายของใจ กายกับใจนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษเราคิดว่าเป็นของดีของสำคัญอย่าพอเราคิดว่ากายกับใจนีเป็นของดีของวิเศษเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันไม่ทุกข์อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากสูญเสียความอยากนานาชนิดจะเกิดขึ้นมากมายเพราะความปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้น ในปฏิจจสมบาติท่อนต้นๆเลยซึ่งดูยากอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความปลุงแต่งมันยากเพราะเราไม่รู้จะดูยังไงจริงๆไม่ได้ยากอะไรเวลาเราไม่รู้ความจริงของกายของใจมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ มีวิธีที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขให้กายให้ใจไม่ทุกข์ก็ปรุงแต่งตามสติปัญญาคนไม่ได้รับการศึกษาในธรรมะก็จะปรุงชั่วอย่างอยากสบายใจก็เผลอเผลอเพลินเพลิลล น, ลนไปวันหนึ่งวันหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวไปทั้งวันหรือหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆสนุกสนานกระทั่งพวกนักปฏิบัตินะก็เป็ดอย่างเที่ยว ทำกิจกรรมต่างๆไปไหว้พระก้าวัดปล่อยนกไปปล่อยปลาเนี่ยปรุงแต่งทค่นั้นนะเพราะว่าอยากดีปรุงแต่งการปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยความหวังว่ามันจะดีทำแล้วจะได้บรรลุมรรคผลมีตัณหาซ่อนอยู่ข้างหลัง พื้นฐานเลยคืออาวิชาไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์แ้วก็อยากเกิดตัณหาอยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์มีตัณหาก็เกิดความปรุงแต่งอยากมีความสุขอยากไม่ทุกข์กลุ้มใจให้มาไปกินเหล้าไปดูหนังฟังเพลงให้หมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ใครยังรู้สึกว่ามีชีวิตมีความเหงาบ้างความเหงามีมากๆตอนเป็นวัยรุ่นกับตอนแก่ถ้าคนไม่ได้ฝึกใจมันเหงาๆนะมันก็จะปรุงว่าทำยังไงดีไปคุยกับเพื่อนเล่นเฟซเล่นไลน์ ดูหนังซีรีส์โน้นนี้ให้เพลินเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้ลืมได้ลืมความทุกข์ไปความทุกข์ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราเองต่างหากไม่สนใจจะดูไม่อยากจะดูแล้วก็หนีหนีด้วยการทำสิ่งโ น, น้นสิ่งนี้ปรุงไปเรื่อยกระทั่งไปปล่อยวัวปล่อยควายนะมันก็ปรุงก็หนี หนีกา ร, รเผชิญหน้ากับกายและใจของตัวเองคนก็ปลุงชั่วเพื่อจะหนีความจริงของกายของใจว่ามันทุกข์บางคนก็ปลุงดีไปทำสิ่งดีๆก็ปลุงทางนั้นอีกพวกหนึ่งก็พยายามเข้าฌานให้จิตมันนิ่งให้จิตมันว่างคิดว่าถ้าไม่ปลุงอะไรแล้วจะมีความสุขอันั้นกำลังปลุงความไม่ปรุงอยู่ เราอ่านใจตัวเองให้ถ่องแท้ดูกายดูใจไปเราจะเห็นว่ามันปรุงทั้งวันไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วไม่ปรุงดีปรุงชั่วก็ปรุงว่างเพอไรเพราะมันรักตัวเองคนปรุงชั่วมันก็คิดว่าทําชั่วแล้วมีความสุขไปกินเหล้าเมายาไปส่วนเสธเฮาอะไรคิดว่าจะมีความสุข ก็ปรุงดีนะเข้าวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมก็หวังว่าจะมีความสุขสเนี่ยใสเจตใจไปปรุงเรื่อยๆการปรุงของใจก็ปรุงผ่านความคิดปรุงผ่านความคิดมาก่อนนแล้วก็ค่อยปรุงวาจาคำพูดปรุงการกระทําทางร่างกายเป็นความปรุงแต่งทางใจทางวาจาทางกายนะ ลอกเปลือกลอกหน้ากากของตัวเองดูให้ท่องแท้นะจิตใจของเราเป็นยังไงสังเกตไปใช้ความสังเกตสังเกตจากการทำงานของมันนะไม่ใช่สังเกตจากนั่งคิดเอาสังเกตโดยการดูจริงๆอย่างในคำพูดของเรานะบางทีคำพูดประโยคนั้นะ ฟังแล้วธรรมดาแต่ความจริงซ่อนความปรุงแต่งไว้เยอะแยะเลยมีตัวอย่างที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งคือสมัยพุทธกาลมีพระอริยะองค์หนึ่งเป็นพระโสดาบันชื่อพระอนุรุธทธะพระอนุรุทธเนี่ยมีตาทิพมองไปทั่วจั ก, กรวาลเนนะี่ยใครเกิดใครตายเนะี่ยเห็นหมดเลยคนที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยรู้หมด ท่านก็นั่งดูจักรวาลดูสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนไปเรื่อยๆเกิดดับตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเสร็จแล้วท่านเกิดความสงสัยท่าเลยไปถามพระสารีบุตรบอกว่าพระสารีบุตรครับตัวผมมีทิพจักษุมีตาทิพเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเก่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกกระธา ต, ตั้งพันโลกเกิดดับ ในเวลาคู่เดียวสี่ที่เรียกว่าโลกก็คือรูป น, นามนะอย่างของเราเนี้ยนี่ก็โลกอันหนึ่งมีโลกส่วนตัวของเรางั้นทุกคนก็เป็นโลกโลกหนึ่งหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์ที่จิตไหวคนห้าสิบคนเนี่ยท่านมองปลาดเนี่ยท่านรู้หมดแล้วจิตใครเป็นยังไงพระนุรุตเนี่ยเก่งกว่านั้นพันคนเนี้ยดูได้ รู้ถึงนะในเวลาครู่เดียวว่าจิตใครเป็นยังไงรู้หมดเลยนี่เรียกรู้โลกตั้งพันโลกนี่ท่านไปบอกพระสารีบุตรบอกพระแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกระผมมีที่พระจักสุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกนะเกิดดับในเวลาครู่เดียวแปบ๊บเดียวทําไมผมไม่บรรลุพระอรหรันต์สัที ท่านถามประโยคเดียวภาษาลิบุตรก็แจกแจงให้ฟังบกการที่ท่านคิดว่าท่านมีตาทิพเปเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นกิเลส ช, ชื่อมานะกูเก่งกูเก่งกูเหนือคนอื่นนี่เป็นกิเลสตัวนี้นคาพูดที่พูดออกมานะมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจในใจคือกูเก่งกูมีตาทิพ เหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรงที่ท่านบอกว่าท่านเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวคือเหมือนเราดูจิตคนพันคนนะี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนั่นคือความฟุ้งซ่านของท่านจิตส่งออกนอกมัวแต่ดูคนอื่นและการที่ท่านรู้สึกว่าทำไมผมไม่บรรลุพระอารหันต์ซะทีนั่นเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งนะช่อกุกกุจจากความราคาญใจ หงุดหงิดใจทำไมมันไม่ได้ทำไมมัน ไ, ได้อย่างที่พวกเราเป็นภาวนาแนละ้วทำไมไม่สงบสักทีอะไรอย่างี้นะเป็นไหมทำไมวันนี้ฟุ้งซ่านไม่สงบสักทีตัวนี้เรียกว่ากุกกุจจ์ความรำคาญใจพระนุรุษพูดประโยคเดียวพระสารีบุตรแยกกิเลสจากคำพูดของพระนุรุยนะให้พระนุรุษเห็นดนะูสามกิเลสอวดเก่งกูเก่งกว่าคนอื่น ที่สองกูเห็นโลกธาตุเห็นคนตั้งพันธ์จิตใจเป็นไงรู้หมดเลยเนี่ยส่งจิตออกนอกฟุ้งซ่านนะแล้วหงุดหงิดทําไมไม่บรรลุพระอรหันต์พระสารีบุตรบอกให้ท่านละจิเลสสามตัวนี้ซะนะอย่าไปหลงกลมันเราจะล้ามันได้ด้วยการรู้ทันอย่างพระสารีบุตรบอกเนี่ยพระนุรุตมองตามไปเออจริงนะ น, นี่มานะนี่ถือว่ากูเก่ง ได้ส่งจิตออกนอกนะเนี่ยหงุดหงิดลำคาญใจเพราะมันไม่ได้อย่างใจท่านเห็นกิเลสของท่านกิเลสนี้ก็คือตัวปรุงแต่งนั่นเองความปรุงแต่งของใจเดินดินด้นไปได้วยถ้าไม่เห็นมันก็ปรุงไปเรื่อยๆถ้าเห็นมันก็ดับพระสารีบุตรบอกว่าท่านโยละทำสามข้อเนี่ยกิเลสสามตัวนี้เสียน้อมจิตไปสู่อมะตะธาตุ อมตะธาตุคือพระนิพพานหรือพุท ธ, ธาภาวะนั่นเองการน้อมจิตไปสู่พุท ธ, ธาภาวะไม่ใช่ส่งจิตไปหาพุท ธ, ธาภาวะพุท ธ, ธาภาวะไม่ได้อยู่ที่อื่นหรืออมตะธาตุเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นวิญญาณธาตุธรรมธาตุเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นม่อยู่ที่ใจเรานี่องน้อมจิตไปเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของตนเองรู้เท่าทันใจ ใจมีกิเลสขึ้นมาใจก็ปรุงแต่งดิ้นรนใจปรุงแต่งดิ้นรนใจก็ถูกเนะี่ยเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เป็หลวงพ่อถึงสอนพวกเราคอยรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดก็คือกิเลสทั้งหลายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนะก็คือกิเลสทั้งหลา ย, นะยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทาก็คือกิเลสทั้งหลายนสิ่งเหล่านี้เพอมันมีกิเลสขึ้นมาก็เกิดความปรุงแต่ง ปรุงอะไรปรุงทางใจคือปรุงความคิดนะปรุงทางวาจาคือปรุงความพูดปรุงการกระทําทางกายแล้วปรุงทางกายเรียกว่าปรุงทางใจนะมีจิตตสังขารมีวจีสังขารมโนสังขารวจีสังขารกายะสังขารความปรุง สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือกิเลสนั่นเองอย่างเมื่อกี้ต้องพ่อเดินออกมาพ่อจะมาตรวจการบ้านแล้หลวงพ่อพบว่าไม่จำเป็นต้องตรวจทีละคนละทุกคนหลงอยู่ในความปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยบางคนก็ปรุงชั่วด้วยใจปรุงสร้างเงื่อนลอยไปออลอยลอยไป เ, ออเปลยเผลอเลเ่องเไปบางคนก็ปรุงดีภิกษุณีไหลองค์มานำ้ำ ปรุงดีนะอย่างเนี้ยปรุงดีแต่งให้จิตมันนิ่งนิ่งทําจิตให้นิ่งนิ่งองค์ข้างหน้านี้ก็ยังปรุงดีอยู่นะฮะาำใจให้นิ่งนิ่งเนี้ยรู้เท่าทันความปรุงแต่งนะรู้เท่าทันไป ความปรุงแต่งทางกายทางวาจามันออกมาจากความปรุงแต่งทางใจทั้งนั้นนะถ้ารู้ทันที่ความปรุงแต่งในใจนะกายวาจามันเรียบร้อยไปเองแล้วความปรุงแต่งในใจนะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันก็คือกิเลสนะ่ส่วนใหญ่ถ้ารู้ทันอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดของเรารู้ทันไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ละเอียดประณีต ไม่ได้ยากเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอดีพอดีกับมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายแบบนอนกระดิกเท้ากินกินนอนนอนแล้วก็บรรลุมรักผลน่นนึกในใจฉันไม่ยึดถืออะไรสักอย่างไม่กำลังยึดถือความคิดเห็นว่าจะไม่ยึดถือมันยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดนั่นแหละ งั้นใจเรานะอดจะปรุงแต่งไม่ได้ห้ามมันไม่ได้คอรู้ทันมันเนี่ยดูออกไหมใจถล่มออกไปแล้วนเนี่ยใจถลออกไปทาไมต้องถลออกไปไอยากรู้ก็เลยหลงไปในความคิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยหนุน่มนี่นั่งยิ้มตลอด เห็นไหมใจมันอยู่ข้างนอกสบายดูเอาครับ <c oughs> ใจมันไม่มาเรียนรู้ตัวเองมันมีแต่ความสุขเพลินๆออกไปข้างนอกกระทั่งเพลินในธรรมะก็ใช้ไม่ได้นะมีความสุขในธรรมะเนี่ยใช้ได้มันมีความสุขแน่นอน แต่เผลอเเพลิน เ, อ, เ, อ, เ, อ, เ อ, อยู่กับธรรมะก็ใช้ไม่ได้ก็หลงเหมือนกันพยายามรู้สึกนะไปสังเกตความปรุงแต่งของตัวเองอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราสังเกตเรื่อยๆไปอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทาของเราหันไปทางโน้นไปไม่ต้องกราบหลวงพ่อหันไปเลย